อธิบายการบรรลุปฐมฌานก็แลเมื่อโยกีบุคคลประคองภาวนาจิตให้บ่ายหน้าเฉพาะจดจ่อในปฏิภาคนิมิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นั้นมโนทวาราวัชนาจิตทำปัททวีกสินอันปรากฏอยู่ด้วยอำนาจภาวนาว่าปัทวีปัท ว, วีนั้นนั่นแหละให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นตัดผวังขจิต เหมือนจะเตือนให้รู้ว่าอัปปนาสมาธิจักสำเร็จเดี๋ยวนี้แล้วถัดจากนั้นชาวนาจิตลั่นไปในอารมณนน์นั้นนั่นแหละสี่ขณะบ้างห้าขณะบ้างในชาวนาจิตสี่หรือห้าขณะนั้นดวงหนึ่งในขณะสุดท้ายจัดเป็นรู ป, ปาวะจรกุศ ล, ลจิตในวงเล็บอัปปนาจิตอีกสามหรือสี่ดวง ที่เหลือข้างต้นคงเป็นการมาวะจรกุศลละจิตอัปนาชวนวิถีจิตจิตเหล่าใดซึ่งมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในวงเล็บจิตเตคคตามีกำลังมากกว่าจิตปกติจิตเหล่านั้นเรียกว่าบริกรรมบ้าง เพราะเหตุปรุงแต่งอปปนาเรียกว่าอุปจาระบ้างเพราะเหตุอยู่ใกล้หรือเฉียดไปใกล้อัปปนาเหมือนกับสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านและใกล้นครเป็นต้นเขาเรียกกันว่าอุปจาระแห่งบ้านและอุปจาระแห่งนครฉะนั้นแล้วเรียกว่าอนุโลมบ้างเพราะเหตุสมควรแกอ่อปปนา ตั้งแต่ในตอนก่อนแต่นี้และตอนหลังแห่งบริกรรมทั้งหลายมาและในกา마วะจรฉวนาจิตนั้นดวงใดซึ่งเกิดภายหลังเข้าทั้งหมดกาาวะจรฉวนาจิตดวงนั้นคือดวงที่สามหรือดวงที่สี่เรียกว่าโคตรภูบ้างเพราะเหตุทาลายกามาโคดและทำให้มหักคตะโคดเกิดขึ้น แต่เมื่อว่าโดยศัพที่ท่านมิได้กำหนดเอาไว้ว่าในอัปปนาชาวนาวิถีจิตห้าดวงนั้นดวงที่หนึ่งเรียกว่าบริกรรมดวงที่สองเรียกว่าอุปจาระดวงที่สามเรียกว่าอนุโลมดวงที่สี่เรียกว่าโคตรภูอีกนัยยะหนึ่งดวงที่หนึ่งเรียกว่า อุปจาระดวงที่สองเรียกว่าอนุโลมดวงที่สามเรียกว่าโคตรภูดวงที่สี่หรือที่ห้าเรียกว่าอัปปนาจริงอยู่ชาวนาจิตดวงที่สี่หรือดวงที่ห้าเท่านั้นย่อมสาเร็จเป็นอัปปนาจิตและชาวนาจิตดวงที่สี่หรือที่ห้านั้นเล่า ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งโยคีบุคคลผู้มีปัญญาไวและมีปัญญาช้าคนมีปัญญาไวชาวนะจิตมีเพียงสี่ขณะส่วนคนมีปัญญาช้ามีถึงห้าขณะหลังจากชาวนะจิตดวงที่สี่หรือที่ห้านั้นไปชาวนะจิตก็ตกภวังจึงเป็นวาระของผวังขจิตต่อไป ท่านโคทตาเทระคานก็แล่ท่านโคทตาเทระผู้จำนานอภิธรรมกล่าวแย้งไว้ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นหลังๆย่อมมีกำลังมากเพราะเหตุได้อาเสวนาปัจจัยเพราะฉะนั้นอัปปนาจิตจึงมีได้ในชวนะดวงที่หกบ้างดวงที่เจ็ดบ้างเพราะท่านอ้างสูตรนี้ว่า ปุริมากุศลาธัมมาปัจฉิมานังกุศลานังธรร ม, มานังอาเสวนปัจเจเนปัจเจโยความว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นแต่ก่อนย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศ ล, ล, ลซึ่งเกิดขึ้นตอนหลังด้วยอาเสวนปัจจัยท่านอัทธกถาจารย์รับรอง คำคัดค้านของท่านโคทตะเทระนั้นท่านอัตถกถาจารย์ปฏิเสธว่านั้นเป็นเพียงสักว่าอัตโนมัติเราได้แสดงรับรองไว้ว่าก็อัปปนาจิตนั้นย่อมมีได้ในขณะชาวนาจิตที่สี่หรือที่ห้านั้นถูกแล้วภายหลังจากนั้นชาวนาจิตย่อมนับว่าตกภวังไปแล้วเพราะอยู่ใกล้ต่อภวังมาก คำของท่านอัตถกถ า, าจานั้นอันใครๆไม่กล้าเพื่อที่จะคัดค้านได้เลยเพราะท่านได้แสดงไว้อย่างรอบคอบแล้วเปรียบเหมือนบูรุษผู้วิ่งตรงไปยังเหวอันชันโดยเร็วแม้ประสงค์จะยั้งตัวไว้ก็ไม่สามารถเพื่อจะยันเท้าที่ขอบเหวยั้งตัวไว้ได้ย่อมจะตกไปในเหวเลยทีเดียวฉันได้ชวนาจิตก็ไม่อาจที่จะเป็นอัปปนาได้ ในชาวนาจิตดวงที่หกหรือดวงที่เจ็ดเพราะเหตุที่อยู่ใกล้ต่อพวังฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงเข้าใจถือว่าอัปปนาจิตย่อมมีในชาวนาจิตดวงที่สี่หรือดวงที่ห้านั้นถูกต้องแล้วอัปปนาเกิดชั่วขณะจิตเดียว ก็แลอั ป, ปนานั้นเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นอธิบายว่าในเจดฐานะย่อมไม่มีขีดขั้นการเวลาคือขณะอั ป, ปนาจิตเกิดที่แรกหนึ่งขณะโลกิยะอภิญยาทั้งหลายหนึ่งขณะมรรคทั้งสี่หนึ่งขณะผลเกิดต่อจากมรรคหนึ่งขณะภวังคชฌานในรูปประพบและอรูปประพบหนึ่ง ขณะเนวาสัญญาณาสัญญายัตนาชานเป็นปัจจัยแก่นิโรธาสมาบัตหนึ่งขณะภะลสมาบัตของท่านผู้ออกจากนิโรดหนึ่งในฐานะทั้งเจ็ดนั้นขณะผลเกิดต่อจากมักย่อมไม่มีเกินกว่าสามขณะจิตขณะเนวาสัญญาณาสัญญายัตนาชานเป็นปัจจัยแก่นิโรธาสมาบัตย่อมไม่เกิดสองขณะจิต ปริมาณมากน้อยของผวังคาชาในรูปประพบและอรูปประพบไม่มีในฐานะที่เหลือสีฐานะมีเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นฉนี้อัปปนาจึงเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นแต่นั้นก็ตกผวังครั้นแล้วอาวชนาจิตตัดผวังเกิดขึ้นเพื่อพิจรารณาฌานแต่นั้นสวนาจิต ก็ทำหน้าที่พิจรารณาฌานต่อไปอธิบายการบรรลุปฐมฌานก็แลด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้เป็นอันว่าโยคีบุคคลนั้นบรรลุล้วซึ่งปฐมฌานอันมีวิตตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่ความสงัด เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกรรมทั้งหลายเพราะสังัดแล้วแน่นอนจากอากุสนลธรรมทั้งหลายปฐมฌานอันมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งละองห้าประกอบด้วยองห้ามีความงามสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบย่อมเป็นอัญโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วด้วยประการชนนี้ อธิบายองค์สำหรับละของปฐมฌานในคำพระบาลีอันแสดงถึงองค์สำหรับละของฌานนั้นมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้อธิบายเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากการทั้งหลายคำว่าเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากการทั้งหลายได้แก่เพราะพากแล้วเว้นแล้ว หลุดออกแล้วจากกรรมทั้งหลายส่วนเอวะอักษรในบทว่าวิวิจเจวะนี้นั้นมีความหมายว่าเป็นการแน่นอนและเพราะเหตุที่เอวะอักษรมีความหมายว่าเป็นการแน่นอนฉะนั้นเอวะอักษรจึงประกาศถึงภาวะที่ปฐมฌานนั้นเป็นปฏิปักษ์แก่การมทั้งหลาย แม้ที่ไม่มีปรากฏอยู่ในขณะที่เข้าอยู่ในปฐมฌานนั้นด้วยและประกาศถึงการได้บรรลุปฐมฌานนั้นด้วยการสละกามได้อย่างแน่นอนด้วยถามข้อนี้มีอา ธ, าธิบายอย่างไรตอบอธิบายว่าเมื่อเอวะอักษรทำความแน่นอนให้ในคำว่าเพราะสงัดแล้ว แน่นอนจากการมทั้งหลายอย่างนี้ปฐมฌานย่อมปรากฏชัดจริงทีเดียวกรรมทั้งหลายย่อมเป็นปฏิปักษ์แก่ฌานเมื่อกรรมเหล่าใดมีอยู่ฌานนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเมื่อความมืดมีอยู่แสงสว่างแห่งตะเกียงก็ชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้นและการบรรลุถึงฌานนั้นจะมีได้ก็ด้วยกันละเสได้ซึ่งกรรมเหล่านั้นอย่างแน่นอน เปรียบเหมือนการไปถึงฝั่งโน้นได้ก็ด้วยการละซึ่งฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเอวะอักษรจึงชื่อว่าทำความแน่นอนเชนี้เอวะอักษรประกอบในสองบทจะพึงมีคำถามขึ้นในเรื่องเอวะอักษรนั้นว่าก็แลทำไมเอวะอักษรนี้ ท่านจึงแสดงไว้แต่ในบทต้นบทเดียวไม่แสดงไว้ในบทหลังหรือว่าโยคีบุคคล น, นั้นแม้ไม่สงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายก็จะพึงบรรลุฌานได้อยู่ขอวิสัชนาว่าก็แหละการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอวะอักษรไว้ในบทต้นนั้นท่านเข้าใจอย่างนั้นหาถูกไหม เพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงเอวะอักษรไว้ในบทต้นนั้นก็โดยที่ชาญเป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งกามนั้นต่างหากจริงอยู่ชาญนี้เป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งการมทั้งหลายแน่นอนเพราะเป็นปฏิปทาเครื่องก้าวล่วงซึ่งกรรมธาตุด้วยเพราะเป็นปฏิปักต่อกามราคะด้วยสมกับที่ทรงแสดงไว้ในเนคขมมะคือชานี้นั้น เป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งกามทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามแม้ในบทหลังก็ต้องยกเอาเอวะอักษรมาแสดงประกอบไว้ด้วยเหมือนอย่างที่ท่านยกมาแสดงประกอบไว้ในคานี้ว่าอิเทวะิกเวสัมโนอิทะทุติโยสมโนความว่าภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งบีในศาสนานี้เท่านั้น สมณะที่สองก็มีในศาสนานี้เท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าใครๆก็ตามที่ยังไม่สงัดจากอากุสละธรรมทั้งหลายกล่าวคือนิวรแม้ข้ออื่นๆจากกามาชันทะแล้วก็ไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งชานได้เลยเพราะเหตุนั้นเอวะอักษร น, นี้นักศึกษาพึงทราบว่าประกอบไวในบททั้งสองว่า วิวิจเจวะกาเมหิวิวิจเจวะอกุสเลหิธรมเมหิฉะนี้อธิบายวิวิจจะสงัดแล้วอันหนึ่งด้วยคำว่าวิวิจจะที่แปลว่าสงัดแล้วนี้อันเป็นคำร่วมกันในทั้งสองบทย่อมสงเคราะห์อาวิเวก ค, คือความสงัดแม้หมดทุกอย่าง คือวิเวกหมีต่ทางคาวิเวกเป็นต้นและวิเวกสามีกายยะวิเวกเป็นต้นก็จริงแต่กระนั้นณที่นี้นักศึกษาพึงเข้าใจว่าหม่เอาเพียงวิเวกสามอย่างคือกายยะวิเวกความสงัดกายหนึ่งจิตตวิเวกความสงัดใจหนึ่งวิคามพนะวิเวกความสงัดเพราะข่มกิเลสไวหนึ่ง กามหมายเอาวัตถุ ก, กาและกิเลสกาก็แลด้วยบทว่ากาเมหีที่แปลว่าจากกาทั้งหลายนี้วัตถุ ก, กาเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในคำพีมหานิเทศโดยไยะมีอาทิว่าวัตถุ ก, กาทั้งหลายเป็นฉไนะวัตถุ ก, กาทั้งหลายคือรูปทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ กิเลสกามเหล่าใดที่ทรงแสดงไว้ในคำภีร์มหานิเทศนั่นแหละและในคำนภีญาณวิพังโดยนัยยะอย่างนี้ว่าฉันทะความพอใจชื่อว่ากามราคะความกำหนัดชื่อว่ากามฉันทราคะความกำหนัดด้วยความพอใจชื่อว่ากามสังกัปปะความดําริชื่อว่ากาม ราคะความกำหนัดชื่อว่ากามสังกัปป ร, ราคะความกำหนัดด้วยความดมริชื่อว่ากามอคุซนละธรรมเหล่านี้เรียกว่ากามนักศึกษาพึ่นเข้าใจท่านสงเคราะห์เอาวัตถุ ก, กามและกิเลสกามเหล่านั้นแม้ทั้งหมดด้วยประการชนนี้วิเวกสองอย่าง และเมื่อสงเคราะห์เอากรมทั้งสองอย่างเช่นนี้คำว่าสงัดแล้วแน่นอนจากกรมทั้งหลายก็เป็นอันหมายความว่าสงัดแล้วแน่นอนจากวัตถุกรามทั้งหลายแต่อย่างเดียวหาได้หมายเอาว่าสงัดแล้วแน่นอนจากกิเลสกรรมทั้งหลายไม่และด้วยความสงัดจากวัตถุกรามนั้นเป็นอันท่านแสดงถึงกายวิเวกคือความสงัดกาย คำว่าสงัดแล้วแน่นอนจากอากูสลธรรมทั้งหลายก็เป็นอันหมายความว่าสงัดแล้วแน่นอนจากกิเลสทั้งหลายหรือจากอากูสลธรรมทั้งปวงและด้วยความสงัดจากกิเลสกามนั้นเป็นอันท่านแสดงถึงจิตตวิเวกคือความสงัดจิตอธิบายวิเวกสองอย่าง ก็แลในวิเวกทั้งสองนั้นด้วยบทที่หนึ่งเป็นอันท่านประกาศถึงความสละซึ่งกามมาสุขเพราะคำว่าสงัดจากวัตถุกรมทั้งหลายนั่นเองด้วยบทที่สองเป็นอันท่านประกาศถึงการถือเอาซึ่งเนคคำมาสุขสุขเพราะออกจากกามเพราะคำว่าสงัดจากกิเลสกรมทั้งหลายนั่นเอง อันหนึ่งในบททั้งสองนั้นด้วยบทที่หนึ่งท่านประกาศถึงการประหารซึ่งวัตถุแห่งสังกิเลตด้วยบทที่สองท่านประกาศถึงการประหารซึ่งตัวสังกิเลตมีตัณหาเป็นต้นเพราะคําว่าสงัาจจากวัตถุกามและกิเลสกามนั่นเองอันหนึ่งด้วยบทที่หนึ่งท่านประกาศถึงการสละซึ่งเหตุแห่งความโลเล ด้วยบทที่สองท่านประกาศถึงการสละซึ่งเหตุแห่งความเป็นพานอันหนึ่งด้วยบทที่หนึ่งท่านประกาศถึงความบริสุทธิ์แห่งประโยคคือการกระทำด้วยบทที่สองท่านประกาศถึงการชำระอัจชชาสัยให้บริสุทธิ์นักศึกษาพึงทราบอ ธ, ธิบายดังแสดงมาด้วยประการชนนี้ บรรดากรมที่ท่านกล่าวไว้ในบทว่ากาเมหินี้ในฝ่ายวัตถุ ก, กามมีนัยยะเพียงเท่านี้ก่อนอธิบายกิเลสกามส่วนในฝ่ายกิเลสกามนั้นกามฉันทะซึ่งมีประเภทเป็นอันมากเช่นฉันทะและราคะเป็นต้นนั่นเทียวท่านประสงค์อวะกกม แหลกกามนั้นแม้ถึงจะนับเนื่องอยู่ในอากุศลธรรมแล้วก็ตามแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแยกไว้ต่างหากโดยความเป็นปฏิปักษ์แก่ฌานดังในคำพีชานวิพังโดยในยะมีอาทิว่าในบรรดาอากุศลธรรมเหล่านั้นกามเป็นชนหนฉันทะชื่อว่ากามอีกประการหนึ่งในบทต้น ท่านแสดงกามไว้โดยความเป็นกิเลสกามในบทที่สองท่านแสดงไว้ด้วยเป็นสภาพที่นับเนื่องอยู่ในอกุศลธรรมและเพราะกามนั้นมีประเภทเป็นอันมากท่านจึงไม่แสดงเป็นเอกพจน์ว่ากามโตจากกามแต่แสดงเป็นผ้าหูพจน์ว่ากาเมหิจากกามทั้งหลายด้วยประการชนี องค์ชาห้าเป็นปฏิปักแก่นิวรห้าแลถึงแม้ว่าธรรมะทั้งหลายอื่นๆเช่นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นภาวะเป็นอกุศลมีอยู่แต่ในคัำพิญาวิพังพระผู้มีพระภาคตรัสเอาเฉพาะนิวรทั้งหลายเท่านั้นโดยที่ทรงแสดงถึงภาวะที่เป็นปฏิปักแก่องค์ชาทั้งหลายต่อๆไปโดยในยะมีอาทิว่า ในบรรดาธรรมะเหล่านั้นอกุศลธรรมเป็นไฉนอกุศลธรรมได้แก่กามาชันทะจริงอยู่นิวรณทั้งหลายเป็น่าศึกแห่งองค์ฌานองคฌานทั้งหลายนั้นเล่าก็เป็นปฏิปักษ์แก่นิวรณเหล่านั้นคือเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องทำลายนิวรณ์เหล่านั้นเป็นความจริงเช่นนั้นท่านพระมหากจัจายนะแสดงไวในคมภีเปตกะว่า สมาธิเป็นปฏิปัก์แก่กามชันทะปีติเป็นปฏิปัก์แก่พยาปาทะวิตกเป็นปฏิปัก์แก่ทีนามิทะสุขเป็นปฏิปัก์แก่อุทจกักกุจจะและวิจารเป็นปฏิปัก์แก่วิจิกิจชาคำพีเปตกะนี้เป็นคำพีที่พรนนาความย่อของพระไตรปิฎก พระมาหากจัจยานะเป็นผู้แสดงในกราวสังคยณนาพระไตปิดกที่ประเทศพมา่าเมื่อพุทธศักราช2500ที่เรียกว่าชัฏาสังคีตินั้นสังฆาหากาจารย์ได้ยกคำภีนี้ขึ้นสู่พระบาหลีด้วยเรียกว่าเปตะโกปเทศะมพ์มเป็นเล่มเดียวกันกับคำภีเนติ บททั้งสองเป็นเครื่องข่มกิเลสต่างกันด้วยประการชนนี้ในบททั้งสองนั้นด้วยบทว่าสงังดแล้วแน่นอนจากกรมทั้งหลายนี้พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาความสงัดเพราะข่มซึ่งกามฉันทานิวรณ์ด้วยบทว่าสงังดแล้วแน่นอนจากอากุศลธรรมทั้งหลายนี้ทรงประสงค์เอาความสงัด พราะข่มนิวรณ์ทั้งห้าประการแต่เมื่อว่าโดยศัพท์ที่ท่านมิได้กําหนดไว้แล้วนักศึกษาพึงเข้าใจความหมายดังนี้ด้วยบทที่หนึ่งทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มกามาชันทาณิวรณ์ด้วยบทที่สองทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มนิวรณ์ทั้งหลายที่เหลือในอกุศน ล, ลมูลสามก็เหมือนกัน คือด้วยบทที่หนึ่งทรงหมายเอาความส ง, งัดเพราะข่มโลภะอันมีกามาคุณห้าต่างชนิดเป็นอารมณ์ด้วยบทที่ 2, สองทรงหมายเอาความส ง, งัดเพราะข่มโทสะและโมหะอันมีอาคาตวัตถุต่างชนิดเป็นต้นเป็นอารมณ์อีกประการหนึ่งในบรรดาอากุศละธรรมทั้งหลายมีโอฆะเป็นต้นด้วยบทที่หนึ่ง ทรงหมายเอาความสังัดเพราะข่มกามโอคะกามโยคะกามาสวะกามุปาทานะอภิชยากายคันธะและกามราคะสังโยชน์ด้วยบทที่สองทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่ ม, มโอค ะ, ะโยคะอัาาสวะอุปาทานะาาะคันธะและสังโยชน์ข้อที่เหลืออีกอย่างหนึ่งด้วยบทที่หนึ่ง ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มตันหาและธรรมะทั้งหลายที่ประกอบกับตันหานั้นด้วยบทที่สองทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มอวิชชาและธรรมะทั้งหลายที่ประกอบกับอวิชชานั้นอีกประการหนึ่งด้วยบทที่หนึ่งทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มอกุศลจิตตุกบาทแปดดวงซึ่งประกอบด้วยโลภะ โลภะมูลจิตแปดดวงด้วยบทที่สองทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มอกุศลจิตตุบาสี่ดวงที่เหลือคือโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองอ ธ, ธิบายความในคําว่าสงัดแล้วแน่นอนจากกามทั้งหลายสงัดแล้วแน่นอนจากอากุศลรรธรรมทั้งหลายนี้ยุติเพียงเท่านี้ อธิบายองค์ประกอบของปฐมฌานก็แลครั้นข้าพเจ้าได้แสดงองค์สำหรับละของปฐมฌานด้วยอัธาธิบายเพียงเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงองค์ที่ประกอบของปฐมฌานนั้นข้าพเจ้าจะอัธาธิบายคำว่ามีวิตกมีวิจารเป็นต้นต่อไปอธิบายวิตก ในวิตกและวิจารสองอย่างนั้นความนึกถึงอารมณ์ชื่อว่าวิตกได้แก่ความกำหนดเอาอารมณ์วิตกนี้นั้นมีอัญยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์เป็นลักษณะมีอันตะล่อมอารมณ์ไว้ตะล่อมอารมณ์ไว้โดยรอบเป็นกิจจริงอย่างนั้นเพราะวิตกนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโยคาวจรบุคคล ย่อมทำอารมณ์กรรมฐานให้เป็นอันวิตกตะล่อมไว้แล้วให้เป็นอันวิตกตะล่อมไว้โดยรอบแล้วชันนี้และวิตกนั้นมีอันรังจิตเข้าไว้ในอารมณ์เป็นอาการปรากฏอธิบายวิจารณการพิจารณาเรียกว่าวิจารณ์ได้แก่การไตรตรองดูอารมณ์ วิจารนี้นั้นมีอันพิจารณาอารมณ์เป็นลักษณะมีอันประกอบสหาชาตธรรมไว้ในอารมณ์นั้นเป็นกิจมีอันตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์เป็นอาการปรากฏวิตกหยาบและเกิดก่อนวิจารถึงแม้ว่าในจิตบางดวงคือในปฐมชาญจิต ละก่ามาว่าจรจิตตุบบาทวิตกและวิจารนั้นจะไม่มีการแยกกันก็ตามแต่กระนั้นวิตกก็ทำหน้าที่ยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์ก่อนด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่หยาบกว่าวิจารและเกิดก่อนวิจารเปรียบเหมือนเสียงเคราะระคังซึ่งหยาบกว่าเสียงคลางแห่งระคังและเกิดก่อนเสียงคลางนั้น เรียบวิตกวิจาร์เหมือนอาการบินของนกและมแมลงผู้อันหนึ่งในวิตกและวิจาร์นั้นวิตกยังมีความไหวอยู่คือทำให้จิตไวไหวในเวลาเกิดขึ้นครั้งแรกเปรียบเหมือนการโบกปีกของนกขนาดใหญ่ที่เตรียมจะบินไปในอากาศและเหมือนการบินมุ่งหน้าไปหาดอกปทุมของมแมลงผู้ ซึ่งมีจิตติดพันในกลิ่นดอกไม้ส่วนวิจารมีพฤติการสงบคือมีภาวะไม่ทาจิตให้ไหวมากเปรียบเหมือนการกลางปีกของนกที่บินขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วและเหมือนการเคล้าคลึงอยู่ที่ดอกปทุมของมแมลงผู้ที่บินไปถึงดอกปทุมแล้วส่วนในอัถกถาทุกกนิบาตอังคุตรนิกาย ท่านแสดงไว้ว่าวิตกเป็นไปโดยภาวะที่ยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์เปรียบเหมือนนกชนิดใหญ่เมื่อบินอยู่บนอากาศมันกวักปีกทั้งสองเอาลมแล้วกลางปีกไว้เฉยบินไปวิจารเป็นไปโดยภาวะที่ตามพิจารณาอารมณ์เหมือนการบินของนกที่กระดิกปีกทั้งสองเพื่อให้กินลมชันนี้ คำของท่านอัตกะทาจารนั้นถูกต้องในขณะที่วิตกวิจารเป็นไปโดยต่อเนื่องกันในอุปจารสมาธิหรืออปปนาสมาธิส่วนความต่างกันของวิตกและวิจารนั้นย่อมปรากฏชัดในปฐมฌานและทุติยฌานในปัญจกะไนแล้ว เปรียบวิตกวิจารเหมือนคนขัดภาชนะอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลจะขัดภาชนะสำริ์ที่สนิมจับเอามือข้างหนึ่งจับภาชนะไว้อย่างแน่นและเอามืออีกข้างหนึ่งขัดด้วยแปรงขนสัตว์ที่ชุบ ด, ด้วยน้ำมันปนผงวิตกเปรียบเหมือนมือที่จับภาชนะไว้อย่างแน่นวิจารเปรียบเหมือนมือที่ขัดภาชนะ เปรียบวิตกวิจารณ์เหมือนช่างตีหม้ออีกประการหนึ่งเมื่อช่างหม้อทำหม้อใช้เครื่องจักรช่วยหมุนไม้ตีหม้อวิตกเปรียบเหมือนมือที่กุมบีบก้อนดินไว้วิจารณเปรียบเหมือนมือที่คอยลูบคลําข้างโน้นข้างนี้ในที่นี้คือการปั้นหม้อด้วยดินนะครับ เปรียบวิตกวิจารณ์เหมือนเหล็กวงเวียนอีกอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลทําวงกลมที่ภาชนะสัมฤทธิ์เป็นต้นวิตกซึ่งยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์เปรียบเหมือนเหล็กแหลมที่ใช้ปักติดไว้ตรงใจกลางวิจารณ์ซึ่งตามพิจารณาอารมณ์เปรียบเหมือนเหล็กแหลมที่หมุนไปรอบๆอบข้างนอก ปฐมฌานมีวิตกมีวิจารฌานย่อมเกิดร่วมกับวิตกนี้ด้วยเกิดร่วมกับวิจาร์นี้ด้วยเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดพร้อมกับดอกและผลดังนั้นท่านจึงเรียกฌานนี้ว่ามีวิตกมีวิจาร์ด้วยประการชนนี้ส่วนในคำภีวิพังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นปุกคาลาธิฏฐานโดยในยะมีอาธิว่าชานลาผีบุคคลเป็นผู้เข้าถึงพร้อมแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยวิตกนี้และด้วยวิจาร์นี้ฉะนี้แต่อธิบายแม้ในวิพังนั้นนักศึกษาก็พึงทราบอย่างที่อธิบายมาแล้วนี้นั่นแหละ